ทุกสิ่งทุกอย่างสรุปลงตรงที่ไม่ใช่อะไรพระพุทธองค์ทรงบอกว่าธรรมะทั้งหลายที่ท่านทรงดำรัสตรัสสอน8 4ด0 0สี่พันพระธรรมขันนั้นทั้งหมดนี้สามารถสรุปลงเป็นคำสอนบทเดียวได้ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาสัพเพปแปลว่า สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั่วสากลโลกธาตุมีอยู่แค่สองลักษณะคือรูปกับน้ำรูปคือลักษณะน้ำคือสภาวะรูปก็คือดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุประทานซึ่งมีชื่อเรียกกันไปต่างๆนานาเป็นอิต หินดินทรายแม่น้ำลำธารพายุความร้อนเปลวไฟเป็นต้นนามก็คืออาการและความรู้สึกอาการก็ได้แก่เจ็บปวดเมื่อยหนาวเย็นร้อนเป็นต้นความรู้สึกก็จะมีความพอใจ และไม่พอใจเป็นประธานแตกแยกออกไปให้ได้เป็นดีใจสบายใจปลื้มใจเสียใจเศร้าใจมนหมองใจเหล่านี้เป็นต้นคราวนี้คำว่าธรรมมาแปลว่าธรรมะธรรมะหมายถึงธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ อันหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นี้พระพุทธองค์ทรงสรุปรวมไว้เหลือแค่รูปกับนามและทรงรวบรูปกับนามให้เหลือแค่คำว่าสับเพคือสัพพสิ่งทั้งปวงและท่านก็ทรงตรัสว่าทุกสัพปะสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่อะไรความไม่ใช่อะไรนี้ ภาษาบาลีเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่จัดว่าเป็นอะไรได้แต่จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็มีความหมายเดียวกันโดยธรรมชาติดั้งเดิมแท้ของมันคือความไม่ใช่อะไรไม่จัดว่าเป็นอะไรได้แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าคนหรือจิตวิญญาณในชั้นภูมิต่างๆ คืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมแท้คือความไม่ใช่อะไรนี้ได้ยากมากเพราะมันหลงผิดตามความเข้าใจตามการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเองเลยมัวแต่เอาคำว่าทุกสปปรรพสิ่งที่พระพุทธองค์ได้กล่าวมาคอยแยกออกเป็นหลายหลายสิ่งมากมายกายกองพอแยกออก แตกออกเป็นหลายหลายสิ่งก็เลยเกิดความสับสนว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากสิ่งสิ่งไหนกันแน่คอยแต่แยกรูปแยกนามให้ชัดเจนว่าสิ่งใดคือรูปสิ่งไหนคือนามแล้วยังหลงทำต่อไปว่าระหว่างรูปกับนามนี้นะสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผล แล้วยังดันหลงคิดไปเองว่าความเข้าใจตรงนี้จะเป็นปัญญาสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความไม่ใช่อะไรได้จริงๆแล้วธรรมชาติดั้งเดิมแท้ที่ไม่จัดว่าเป็นอะไรได้นี้ใช้ความเห็นแบบผิดๆปัญญาแบบผิดๆความเข้าใจแบบผิดๆการคาดคะเนแบบผิดๆแห่งตนไม่ได้ เพราะในขณะนั้นปัญญาแห่งตนยังเจือด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองมีตัวตนยังเจือด้วยความอยากความปรารถนาความยึดมั่นถือมั่นแห่งตนอยู่ส่วนในสิ่งที่เป็นพุทธปัญญานั้นเราจะเอาปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงดำรัสตรัสสอนนั้นมารวมกับปัญญาของตน แล้วคืนสู่ความไม่ยึดติดความไม่ใช่อะไรนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นโมฆะตลอดสายเหนื่อยฟรีทุกขณะที่ทาอย่างนั้นเช่นกันมันเหมือนเอาความบริสุทธิ์มาเจือกับของสกปรก ม, มันเลยกลายเป็นของคล้ำๆไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายอันใดเลย บุคคลใดก็ตามหรือจิตวิญญาณใดก็ตามที่ได้ยินได้ฟังสัจ ธ, ธรรมคำสอนที่มันตรงตรงแล้วปรงตามวางตามเป็นเนื้อเดียวตามดับตามที่พระพุทธองค์กล่าวก็จะคลายเยื่อใหญ่คลายพันธนาการคลายปฏิสัมพันธ์คลายความผูกมัดคลายความผูกพัน คลายความเกี่ยวเนื่องคลายความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปเองทำให้ชีวิตหรือจิตวิญญาณ น, นั้นคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของมันคือความไม่ใช่อะไรไม่จัดว่าเป็นอะไรได้เป็นเช่นนั้นอยู่อย่างนั้นไปทุกการเวลา